พอให้บุญก้วย ข, ข, ะ, เขะเจ้าที่ขะเจ้าทาด้วยจะถูกปัจจัยถวายขั้นทานถวายพระป่าหรือจะไปทำบุญทุนทานอันใดก็ตามก็ได้แค่ทานธรรมดาถ้าเรามีอศ้นมีทมอยู่ในตัวเองมีสติฉัมปัญญะควบคุมจิตไม่ได้ทานท่ากับเกิดผลทานจะได้เกิดเงนสงได้ทตาเห็น แต่ก็ยังไม่เท่าภาวนาภาวนาตัวนี้เกิเจริญกุศลภาวนาจะเรียกว่าสมถะาภาวนาปัฒนาภาวนาสมถะกรรมฐ า, านพัฒนากรรมฐานเพิ่มเติมเสริ ม, มสุดในยุติขนั้นเพราะการให้ชานเนี่ยมันของต่าบำเพ็ญสิงก็สูงขึ้นเป็นทางกลางถ้าเราภาวนาก็สูงสุดในพระพุทธศาสนา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 เราก็ต้องไปลงกรรมาฐานก็ขอสรุปใจความว่าเอากรรมาฐานเป็นหลักลาการกระทำไม่ฐานะดีให้มีปัญญาให้มีสติมีความคิดมีควา ม, มรูเลิศทําให้ปัญญาแจ่มใสแจ่มชัดโดยความดีความชั่วของตอนนั่นเองความดีความชั่วของตอนทุกคนรู้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะยับยัง้ง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 ที่เราว่ายืนหนอก้าครั้งเบือ้องตามปลายผมต้องไปเบือ้องบนปลายเท้าขึ้นมาก็ต้องทําให้ได้ถึงขั้นตอนขั้นตอนยืนเดินนั่งนอนนั่นเองจะเลี้ยวข้ายแหลบขวาคู่เหยียดเหยีดขาต้องมีสติแต่ใครทายืนหนอก้าครั้งได้คนนั้นจะรู้ภาวะรู้วาลติจของคนได้ที่เราได้จริงได้ตัวจริงขึ้นมาในตัวตน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 ทำให้เรานมื่อหลีล้ยงไหลไถ่ถอลงไปสู่ภาวะอันทีกต่าเรามีสติธรรมะชัญญะกำหนดได้ว่ายืนหนอนี่ยังไม่มีใครทำได้สนิทแต่ประการใดถ้าทำได้แล้วจะเห็นวาลจิตของคนชัดขึ้นเขาเรียกว่ารู้จริงว่าเห็นคนเดินมาตั้งสติไว้แล้วก็จะดอ่อนออกบอกหน้าใช่เป็นคนนี้มีฉายดีไม่ดีคนนี้หัวขาด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 จิตไม่เข้าขั้นจิตก็ไม่ถึงที่หมายตามความประสงค์แล้วจิตมันจะกลับไปที่เดิมได้จิกลับที่เดิมก็กลับไปหาโลภะกลับไปหาโทสะกลับไปหาโมหะแล้วก็ม่มีสติปัญญาเหมือนอย่างที่เราเจริญกุตตนภาวนาอยู่เป็นประจำผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเหล่านั้นต้องมีธรรมะประจําสุดก็คือมีสติประจําใจกําหนดอยู่ตลอดเวลาแล้วรับรองเรียบร้อย อยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยอยู่ด้วยความเป็นปกติดีแล่เราก็จะไม่เหลวแหลกแต่ลานจิตจะไม่ผันแปรเปลี่ยนพักจิตจะอยู่ในหลักของสมาธิบราเป็นสิตภาวนาจิตจะมีศินมีสติควบคุมดีตลอดเลยการชีวิตจะมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องหลักของผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะทำไม่ได้นะก็ไม่สามารถจะรู้วาลตจิตได้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 เราจะเริงกุชนภาวนามันเดินจนกรมโยมกลับไปบ้านก็เดินจนกรมก่อนเสมอส่วนมากมักง่ายไม่เดินจนกรมเอานั่งเลยสมาธิจะได้ยากคางกันหดก็จะช้าล่าช้าเวลาไปถ้าเราเดินจนกรมเป็ น, จจ น, นประ จ, จำแล้วก็นั่งเป็นประจำแล้วต่อการปฏิบัติมันก็จะได้เพิ่มขึ้น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 ไหนเลยละกฎแกรรมว่าตัวเองทําอะไรไว้เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะสติไม่พอสติยังไม่พอสติยังน้อยมากยังไม่เ ข, ข็ขมและสมาธิก็ขเขียดไปเสียดมาถถยังไม่เข้าขั้นของสมาธิอุปจารสมาธิอคัญนาสมาธิก็เพียงแต่ขณิกาสมาธิเท่านั้นยังไม่เข้าขั้นเข้าตอน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 ทำใจให้อดทนทำใจให้ต่อสู้กับเหตุการณ์ทุกยากลำบากทุกประการก็สามารถจะผ่านอุปสรรค ate, ไปนั่นไปได้อย่างหน้าอนุโม enfin, ทนาถึงจะเรียกว่าธรรมะธรรมะคือตัวมีสติดีทับจัญญาดีกำหนดได้มันจะแก้ไขปัญหาได้ทันทีการกำหนดบางทีก็มาด้จังหวะเช่นพองพองค้องรุดก็ม่้จังหวะก็หายใจช้หนังยาวมั่งในเสมอตัวไเสมอปลาย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 ถึงต้องเอาปัจจุบันธรรทำไว้ก่อนทำอะไรก็ให้เป็นปัจจุบันไหวขออนุโมทนาทพิยาโจนกลับไปแล้วมันทํามันใช้มันมีดมันรับมันใช้มันก็คมอยู่ตลอดเวลาตามเมตตไม่ใช้มันก็เป็นสนิมแต่เหมือนจิตใจธาตุติมันก็เป็นสนิมในใจมีแต่ความไม่สบายขอบเปลืไม่มีความสด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 เพาใจผิดคิดยามันก้กรรมอย่างที่พูดมาวางแล้วเ้าก็ถือว่ามาสักหน่อยสักสามวังสุดวันเราก็คงจะดีได้เลยทีเดียวก็กรำบากยากที่จะดีได้ก็เราสร้างความดีมาเสมอต้นมาเสมอปลายมีก็บ่อณก็บรรจณเป็นก็ตอมก็แต่งเป็นวัดเป็นวางเป็นโยมเป็นกรรม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 ความดีมันก็จะเกิดไม่ได้มันจะเกิดความไม่ดีทุกวันบางครั้งอารมณ์ดีก็สามารถจะสร้างความดีได้บางครั้งอารมณ์มันขั่วก็ไม่สามารถทําตัวให้ดีได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงยากยากมากแล้วกลางข้างความดีนันก็ยากถึงนเดียวกันถ้าเราตั้งใจสร้างความดีม หนูความชั่วได้มาได้เราถึงจะได้ผลเพราะการท่าความดูงกังละทั่วได้ไ้ทันบนุญมีกฎของละบาปให้ได้ถ้ายังโดนบาปมีบาปถูกเกมาบมุญมันจะไม่ถึงจะบถูกดูกในจิตใจที่มีความสุขได้ความสุขนั่นเกิดจากบุญงานนี้มอนกันเพราะบุญนี้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 ยล้วก็สียสนทะเลทรายทะลัออกไปนอกปุ่มนอกทางชึวิตใช่กาลกเวลาของสดเราก็มามาผลเลยก็ขยันไปนอกนาทีกลางงานยังนีความประมาทชีวิตอยู่มากหลายไม่มีสติ ป, ปัญญาหนีว่าอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความาพลาดน้งทําอะไรก็พลาดทําอะไรก็มาเดืดผล ทำมาไก็มาอย่าอันสงที่หลังมาไหลมาเทมาถึงจะเรียกว่าอันสงอสงงความร้เนี่ยนะันหลังมาหลมาเทมาเข้ามาอยู่ในบ้านเราไม่จิต ใ, ใจจิตใจก็สะบายมีแต่ความเพลถึงจะมีความทุกข์มาต ก, กาแต่ขาได้ก็เราลำบากมามากแล้วเราเป็นเด็กมือเดินตามคือลำบากลำบนอย่างไรก็ต้องทนมาจนแบบนี้มา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 ยิ่งขับมาหาความลำบากความยากเกิดขึ้นและเดือดร้อนมนตาตราการไหนเลยได้ความเจ็บของจึงในความสุขิองจุนขุนขันทั้งหลายในบาปจะไม่มีโอกาสแล้ววังนั้นคนเนาที่จะสร้างความดีได้เนี่ยต้งลงคุนมากลงคุนความลำบากอดทนขันติธรรมต้งมีการต่อสู้ คือความยากสือความอันายอนตาจะตามได้ เ, เ, เตียงเหวหยลูกคางก็ทนได้เหอาเ่อต่างน้ำก็ทนได้อย่างนี้ถึงจะพบของดีพบของดีนตัวเองของดีงน้ก็ไมาา่ต้องไปหาเขวอนหาที่ไหนนีอยูแแ่แล้วแต่เ้าก็ยดค้าจะหาที่แม า, าความดีมาคา อาจต่ความชั่วมาท้ายตลอดเลยตาไหนเลยว่าท่านจะพบของดีขึ้มนมาเป็นความจริงอยู่ในใจมันจะไม่มีความจริงเลยคนชั่วนั่นน่ะมันไม่มีความจริงใจทําอะไรก็เหลวไหลทําอะไรก็ไม่เป็นหลักฐานทําอะไรก็ไม่มันน่งคือยึดจะเป็นพึน่งเป็นที่พึ่งของตนก็ยากหน้ เราพุทามึงสอนว่าตาหิกระโนนเถรนันงตนเป็นพุทุมแมนอนไม่จะอื่นใดแล้วไม่จงไปพึ่งก็ผีตัวพระไราจะเห็นใบยิ่งพระเพื่อเมื่อนอนว่านักพิโนเชยมังอันยางพุทธเถรทำเมื่ครั้งโมเมื่อเชยมังขลังเอเตอณาจักรวัดเชยนะโหตุเตชยมังขลังท่านถวดนนใกล้าจะจ ไปเจริญพระพุทธมนต์บ้างเขาก็ตามเขาจะต้องเขวดบทนี้เสมอไปว่า น, นับหินเน้อเสื่มังอันยางต้นต้นแปลความง่ายก็บอกว่าที่พึงเองไม่มีลากวก็ถือเป็นที่พึงนม่ได้คงเองก็เป็นที่พึ่งให้กับเรได้ยากเราต้องพึ่งตัวเอ ง, งเลี้ยงเหนียวพระรัตนาคกลายเป็นสารณ ะ, ะที่พึงตลอดชีวิต สุดพิษทางเทืงนังขจฉามิทำมังเทืองนังขจฉ า, ามิสคงังเทงนางขจฉามิเป็นที่พึ่งได้คือคุณพระพุทธเจ้าสามคุณพระธรรมสามคุณพระสงฆ์สามเรียกว่าสามสามเต้าเอาไปข้างหน้ามีแต่ความเจริญเรืองเรืองเขาจะเห็นได้ว่าพระตามเละเสดพุด้มเสดผือเป็นต่างเดินตางพุทธลีลา ปางต้าหน้าปางเสลยปางรุ่เมืองวัดนาสถาพรเขต้องเดินมาเ่อน่ไม่เชื่อเ่ยพระปางพุทธลีลาเขาจึงเรียกสายาวพระทุ่งเศิดกับพเพชรพระทุ่งถิ่นถินลู้นมาพระทุ่งเกิดถสุโขทัยบ้างพระทุ่งเกถิสุพรรณบุรีบ้างเรียกคำเตาองทารกามยพระสุโขทัยพระอุทองพระเจิ้าแขนจนต้น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 แสดงว่าตายเสิมขังจิตใจเติมข็งสุโคไทยเตมิมไปด้ว ย, ยเมตตามีความปรารถนาดีอู่ทองเติมไปด้วยสุโคไทยเติมไปด้วยเมตตามีความปรารถนาดีอู่ทองเติมไปด้วยเมตตาอาลีไอละดเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เงินไหล น, นองทองไหลมาอย่างนี้ต้องปฏิบัติธรรมะเงินที่จะไหลมาทองที่จะไหลมา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 ถือบอกยังไงก็เชื่อถือเจ้าเข้าชงบอกยังไงก็เชื่อเจา้าขาดรัฐนาการขาดความดีไปมากไปไหว้ถีอและคนเดินขาวพูดภาษาชมลึไปครอบนับถือไปนับถือเจ้าแต่เจา้จาเราก็เคารพถือปู่ยาตายายทึงไหนจะต้องเคารพแต่นี่มันถือที่เท่าไปเนี่ยถือแางด่างถ้าเจอถือมันจะเจอแสง เจานางา ก, กง็จะต้องโกงโกงตลอดเลยการซื้อขางนางโกงตลอดนี่หรือท่านจะไปคบคาสามาคมได้แต่ลาเหตุผลจะไม่มีอุสงค์จะปริการได้นี่เหละท่านทั้งหลายการที่ท่านมาเจรงกรรมฐ า, านมหาที่พึ่งทางใจสจคอมาสบายมาบ น, บนาโดยว่าเจกาขาที่ขันายขอลากลับบ้านไม่สบายใจ นี่มนะันโงที่โสดไม่สบายใจเร่งรักจะมาฐานพัฒนาตัวเองถึงจะไ ก, ก้ความสบายใจท่านมาสบายใจแล้วท่านจะลากลับบา้านท่านจะไปเที่ยวกันแต่ว่าฉันจะต้องไปไปเที่ยวสักพักหนึ่งสบายใจแล้วอยกลับมาวัดอภิษฐใหม่เงอที่สโสด โ, โง่บัตรซบโง่อย่างเง่หัวไม่เคลื่ันแลนม่สบายใจจะต้องพาเพื่อนไปเที่ยวสักพักหนึ่ง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 เสียงเงินค่าเครื่องบินเสียงเงินค่ารอขับทัวร์แต่พาไปเที่ยวยุโรปและเอเชียและสหรัฐอเมริกาไปเที่ยวกองก็เสียงเงินไม่ได้มีธรรมะประจําจิตประจําใจเลยคนนีงโง่ถ้าหากว่าไม่สบายใจมันทุกข์ประตรงนางก็มาทานเดนินเต็มเต็มทัพการเข้เอตีข้าวเดี๋ยวมันก็สบายใจเดี๋ยวมันก็พ้นไปเจอจากกองทุกข์ในนาประการได้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 ดุจใจหาความถุกในรอบเรื่อไม่ได้กระชั้ทนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มีบุญวายหนอที่มีขัดข้องหนอเดินเบื่อไปเรื่อยไกลๆที่กระทับโค้งพระพุทธเจา้าแล้วพุทธเจ้าเดี๋ยวสั์เพื่อ ส, สำเนียงเสียงไข่หนอมาเบื่อว่าที่มีบุญวายหนอที่นั่งขัดข้องหนอไม่มีความสุขหนอพระพุทธจเจ้ายกเงเพลิงวาเจ้าไป รับตอบว่าที่นี้ในวุน่นวายแหน่ที่นี้ในขาดข้องหน่เชิญได้เข้ามาได้หน้าบัด น, นี้มีอญาตชาติร บ, บุจึงเข้าไปไปหาเป้าพระพุทธเจ้าก็จะเลื่อนสตินี้เองพระพุทธเจ้าจึงได้แผเมตตาสอนธรรมะให้โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังเลื่อมล่วเลื่อมกระมมงให้ชาวเลกบรรทุ เดชาเปิดเบิดเชงชื่น อ, อกเ่ิงใจาหายทุกข์หายวุ่นวายจึงขอเบวดในประสาทนะเบิเอหีเอหที่ขู่ อ, อุปสมบทาเบวอต่อประทักพระพุาทธเจ้าโดยไม่ต้องมีออุปชาอาจารย์ไม่ต้องมี้คู่เถือกรรมวาจาก็สามารถเบวดได้เดินผู้หญิงก็บวดได้ไม่ต้องมี้คู่สวืไมาา่ต้องมอุปชาบวอก็บวอได้บวอแบบเม่กมะ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 ชีวิตจะไม่ม้วยเมลาน า, นาไม่มีการตายแล้วไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายต่อไปไม่มีการคัดการจากของปฏิรักษ์นิยมจิตใจอยู่ต่อไปนั่นคือทันพาตมีความหมายอคัดเต้นแล้วแต่คนเราไม่ทำกันเวลาท่านทั้งหลายเอ๋ยมานั่งกรรมฐานกันกะหาว่ามาหลายเรืองหลายเรื่องยเองอยอพุทโธบ้างอรหังบ้าง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 เดียวก็แาจากรองคอกระถิ่นบ้างคอผาบาบ้างเยอะเทอะเปหมดแล้วเลยก็จิตไม่สงบไมเ่าาเดกดดาลลดทำกับบริการใดท่านจะได้บุญเป็นไหนหรือมาที่นี่กันหลายประเภทเยอะเกินมาอยู่สวันกราบแล้วว่าไม่ส บ, บายต้องไปชวนเพื่อนไปเที่ยว ก, ก่อนนี่แหละคนงโง่คนเสี้ยงเงินเฉี้ยทองการปฏิบัติไม่ต้องเสียอะไรเลยขอให้ท่านปฏิบัติจริงๆได้ไ้ม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 ร้อนอกร้อนใจตายก็เรียกว่าตายเพิ่งถึงตามร้อยอกย้อนใจไม่มีเอตาดมีธรรมะประจําจิตปใจใจระจําใจแต่ประการใดออกมายังนี้ชัดเจนมากมาเลยๆ น, นี่หนีกลับไปก็มีอนะมาถึงพอได้ข่าวว่าเขามีระเบียบอย่างนี้เข่านี้เล ย, เยว่าดีไปเป็นเรื่องแล้วมีระเบียบต้องมีบัตรประชาชโณด้วยเหรอต้องมีอนามัยเ ล, ต ย, เลตยต้องมีอะไรเลยต้องมีใครรับรอง้วยเหรอ ถ้าเรารู้จากการลื้อหรือนอนใจตื่ก็ไม่ลี้ก็ได้ไอ้ น, นี้บาดตะชาชนเนี่ยโยมไปไหนไม่มีบาตรไปเขาจะจับเอาเนี่ยเขาจะหาว่าคนหลักลอยตำรวจเขาจะรู้จักเลย อ, อะไรํานอนนาจจางนี้อเขาต้องจับตักตัวไว้ก่อนยังมีคนเนี่ยประเภทคนลายหรือคนดีก็ยังไม่ลู้เคื่อไม่มีบัตรประชาชนยังลื้เต็มตอนไอ้ที่เขาเกลีอน บ, บาดขอบาดแดงจะไปว่าเขาเนะี่ยหากว่าไม่เชื่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 มาเลยอ่อไม่เป็นลายมาหาจามาก่อนรับรองให้ของรับรงไม่ใช่ว่าทำให้เสียหลักกติกาเขาติดตั้งเขาไว้เขามาลิกจัดมันอาจจะมีคนแตกปลอมมาเนี่ยมีหลายครั้งแล้วมาเข้าห้องเดียวตานแต่งเตือนเสวยด้วยเลยมาลักกระเป๋าเขาไปเลยลักแหวนเขาไปลักสร้อยแหวนเขาไปนี่จะ ม, มีปัญหาอย่างนี้จึงต้องปวดขันข้นงวดอักหน้อย อย่าว่าเราเลยอย่าว่ากรรมการเขาเนี่ยมันมีอย่างนี้หลายข้างหลายคราวสกดมาแล้วมาเรียนตัดคนดีๆมาหาสินที่ดีบางคนก็มีจะเพทน์งแต่งตัวขับรถเดินมาอย่างดีมาหาสาวแช่เด็กรุน่นจะเอาไปทำงานไปอยู่กันหน้าเธอไปเอาไปทำงานบางเดือนแพงๆมีอย่างนี้ก็มีนะ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 คามดีก็แทนที่ของจุตใจท่างแล้วทางกระเจ้าเน่มีความสุขแท้ทุกได้เม่อนอนก็ขอดืงยันว่าแก่ทุกได้ทําการไปแก้ทุกเดินไปหาทุกเดินไปเที่ยวแลวก่อนโยมผู้ชายก็ไปแก้ทุกโดยินไปเดินทุลาเริ่มการทํานานเที่ยวครั้งโคลนได้ลุ้นตลอดโดยการถือว่าเป็นความสุขนั่นแหละมุนโลกกระชับมันมีสุขขณะทุกินเดินทุลา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 ตั้งสติไม่ได้เลยเนะี่ยมีแต่ความทุกข์และเหงร้องไห้ตลอดรายการมีแต่ความสะสมทุกไว้การเจริญกรร ม, มาฐานต้องการสะสมความศุกและในเครื่องคอมพิวเตอร์ส ะ, สะสมสติปัญญาอาริยบทตาหูจมูกลิ้นกายใจยเห็มหนอเสียงหนอเป็นหนอลิ้งเลี้ยงได้รับเสพหนอตาช้ำขัดอย่างนี้เป็นต้นนี่ว่าสะสมความศึกตรงนี้ความสุขที่ขวานหก เงาะโลกสวรรค์มันอยู่ที่สวัรค์หกจะลดถ้ำต้องกําหนดอาเยาบทต่างๆเก็บไว้ให้มันดีจะผมไวดีอย่าให้มอมตต์ลี่มันรู้วอย่าให้เติมน้ำที่ตักม้อมันเสียเวลาเติมมันเลือกไม่ยีจะใช่อุดติมผิดไหนก็ฟุ้งซ่านมาปรการต้องอุดทางเลือกทางไหลแล้วกเขาตักน้ําใส่ติมมันจะได้ไม่เหนื่อยมาก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 เราไมาเ่เจอพระเรามาปลุกจารณ์ทอนมาแสองหาความดีกันไม่ใช่มาแยวงหาความชั่วแต่ประการใดเรามนานัดพบพระในจิตใจคือระกรรมฐานมีพระกรรมฐานแล้วจะมีพระอิู่ในใจิตใจก็เบิกบานหังษาทำอะไรก็เป็นมาเป็นผลจะค้าขายก็รวยจะพุรา ส, สึกก็รวยซื้อดินขายที่ดินก็จะรวยจะสวยดีก็จะมีปัญญาฮัดเจนะ แล้วท่านจะเอาอะไรมีทุกข์ก็ผาไปเที่อมันมีอทุกข์ก็ไปเดินสลายามมาเล่นกันนะรับก็โดนยิงตายโดนตีโดนทะเลาะมีวายการในร้านกาแฟตลอดรายการนี่หรือความทุกข์คือมันเกิดเป็นในความทุกข์ไอ้ความเกิดที่แท้จริงไม่มีความทุกข์ก็เนื้นอเกิดก็คือเจริญ่นกระือประฐานสีบำบัดทุกข์แต่ปัญหาชีวิตชีวิตท่านจะจก้ไข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 มีความรู้อยู่ในตำราจะแล้วต้องไปเปิดจนน้ำบาตมีเนืนอให้เขาปูจะใช้ทีก็ต้องวิ่งกันหิหตโถดไปหมดหรือว่าหิวโหูวโถ่มันคืออะไรก็ไมชาราบเหมือนกันขอจากประเด็มีอของเราจะแทนให้เ็าปูไปหมดก็เขาเยนไปมีความรู้ประถาต้องอยู่ในตำราต้องไปเปิดกันทุกวานเวลาจะแก้ปัญหาไปเปิดตาดราเล่นไหนยาก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 อี่มาเจริญกรมมาฐานและขอกราบนมัตการลาจาบ้านขอให้ท่านมีอสวัสดีมีชัยมีโชคมีอไทยมีอความสุขความเจรนนิญมือครอบผ่กพันทั้งสามมือภรรยาทั้งบุตรธิดาด้วยแต่รอกระทั่งญาติวงองขาวงเทยนันขันเดืหวามีความสุขโดยชั่วการต้นวงเอวันมาเก่งวงเศษมนโนค น, นที่ปฏิบัติกรรมฐ า, านได้ควรจะเลืกอกโดยวงเทยนันสันเดืหวา้า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 ะเราเลื่อมสายสกฐากระทำมจาลิกาเมืองประเซ็นไม่จะรอเพราะเป็นพระใจเพชรพระใจถึงเมืองใจถึงเนืเองใจเพชรต้องศึกษาเล่าเรียนวิกาปัญญาต่อไปด้วยก็ขออย่าอยู่แค่นี้เลยควรตั้งนาตั้ง ต, งตางเพียงขวนขวายเรียนให้มันเกบดเคล็ดให้ช้ำเวลาจะไปธรรมจาลิก่ไหนก็ขอให้เขาเด็ดความมาุ่งมาตัดพนาทุกขท่านทุกฤทธิทททททท์ทุกนามด้วยการเบเชื่องละกัน ขอทุกขามทั้งหมดนี้จนเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาพละปฏิพานธนาสารทุบบติไม่คลื่อนยื่ประการใดชมความมุม่งมากตัดทัหาด้วยการทุกชื้นสุมาณโอกาสบตรนี้เธมยาพลงทาวุนเลโ ม, มา